เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามี 2557 เป็น เพื่อมาศึกษาพระธรรมคํา เธอท่านของพระพุทธเจ้าท่านของพระ เช่นการพัฒนาในราบยศสรรเสริญในวัตถุ แม้ชาก็แล้วก็จะ ไสยๆ ก็แบ่งเป็น 2 ระดับด้วยกันระดับที่ยัง ได้ขึ้นไปสู่ชั้นของเทวโลกขึ้นไปสู่ชั้นของเทพะโลกได หมดไปได้แต่ก็ยังเป็นการที่อยู่นานกว่าสิ่งที่เราพัฒนาทางร่างกายได้แต่ 80 90 ปีก็หมด พอเสื่อมลงมาก็จะกลับ นี่คือลักษณะของการพัฒนาจิตใจด้วย ต้องพัฒนาอีกขั้นหนึ่งด้วยการเจริญปัญญา พระอนาคามีพระๆเหล่านี้แล้วจิตใจก็ การต้องพัฒนาด้วยที่ยั่งยืนถาวรต้องความจริงสีประการด้วยความ ใจของเรานี้มีอริยสัจ 4 อยู่ ที่อยู่ในใจของเราความจริงที่อยู่ในใจคืออะไรในใจของเราความจริงที่อยู่ใน เรเราก็ไปพยายามแก้ๆ แต่อยากให้นี่คือความทุกใจที่เกิดจากความอยากของเราเองอย่างนั้นทําอย่าง ไปอยู่สามีไปอยู่ภรรยาไปอยู่ ถ้าเรามองกลับเข้ามาเราก็จะเห็นเรามองกลับเข้ามา 4 คือมรรคมรรคแปล ดาวต้องสิ่งอย่างอื่นดับไฟไม่ได้น้ําดับไม่ใช่ไป ของสิ่งต่างๆที่เราไปหลง บางทีสิ่งที่เราอยากว่า มันเดินไปตลอดเดี๋ยวเค้าก็เดี๋ยว ไม่ให้เขาจากเราไปให้อยากอย่างไรก็ห้ามเขาไม่ได้เขาต้องจากเราไปอย่างแน่นอนเราไปพอเราเห็นคือ ดับด้วยการให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ บางทีก็สั่งได้ทีอย่างลูกเหล่านี้ตอนเด็กๆสั่งได้ว่านอนสอนง่ายสั่งได้บางทีก็สั่งกินนี้ เขาอยากจะดูทีวีแต่พ่อบอก เราสอนเขาแล้วเราบอกเขาแล้วถ้าเขา เราสอนเขาบอกเขาเรื่องที่ดีสอนให้เขา เหมือนเราก็เหมือนกันสมัยเราเป็นเด็กๆใครบอกให้ ไม่ต้องมาทุกใจต้องมาทุกข์ใจไม่ต้องมา ทางต่อหน้าเราไม่ได้เขาก็ เพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้ไปแก้ที่ตอนนี้พอสั่งได้สั่งให้มาวัดก็มาต้นได้ เดี๋ยวสั่งให้ไปวิ่งก็วิ่งไม่ไหวไปเวลาแก่สั่งให้ทําก็ ถ้าเรารู้อ้างความไม่สบายใจความทุกข์ ตอนนี้เราไม่มีอะไร เราเลยต้องอาสสรย개�иш ถ้าเราส本ว่าเรามีแฟนเราต้องอาสสรย sambet แต่ถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้รถ้าเราหาแฟนใหม่มาแทนแฟนเก่าได้เราต่อไปก็ทิ้งแฟนเก่าได้แฟนใหม่ของเราคืออะไรก็คือการทำ บุญให้ทางการรักษาศีลการปฏิบัติ เราเพราะมีความสุขที่ดีกว่าเราก็ลิ้งล่างกายเป็นความสุขที่ดีกว่าเร เราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูไปฟังไม่ต้องใช้ ท่านเคยมีเดี๋ยววันหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้สุขกับลาภยศนี้ นี่ละคือวิถีทางของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าและ ที่เราได้รับจากการทำบุญจาก อริยสงฆ์สาวกจะๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง สิ่งที่แตกต่างกันตอนนี้ก็คือท่านมีบุญท่านมีภาวนาแต่เรายังมีไม่มากมีก็มีน้อยทำบุญก็นานๆศีลก็รักษาไม่บริสุทธิ์ตลอดเวลาภาวนาก็ยังทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นนั่งสมาธิใจก็ไม่สงบ ความจริงในใจก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าความทุกข์ที่อยู่ในใจนี้เกิดจากความอยากของเราในใจก็ว่า จะสร้างความสุขพัฒนา พอขึ้นขั้นที่ 2 ขั้นพระสกิดาขามี นิพพานโสดาบันจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นโพรหมโลก โยยาตายังพัทธาจากสามีภรรยาบุตรธิดา นี่ให้ความสนใจอย่าไปหลงกับการพัฒนาสิ่งที่เราควรจะให้ความ ได้ไปดูไปฟังอะไรก็มีจากไป มันก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บลงไปต้องแก่ลงไปต้องเจ็บลงไป ถ้าเราก็จะมีความสุขกับจิตใจของเราทำจิตใจให้ๆที่ๆ แล้วนี่คือสิ่งที่จะเป็นไปต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกรรมทุกข์กับการ ท่านได้อะไรดีๆท่านจึงกลับมาสอนเราไรดีๆท่านจึงกลับมา ทางจิตใจขอให้เราลดจํานวนลงไปการดูหนังให้น้อยลงทางออกไปเที่ยวไปเล่นให้น้อยลงใจเช่น เพราะว่าเราจะได้จริง ถ้ามีใครเข้าถามว่าพระพุทธเจ้าและ จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้